คำสอนใดๆเป็นเมืองขึ้นคำสอนในพุทธศาสนาหมดเราจึงยอมรับนับสือว่าพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสอนเบื้องต้นสอนให้ทำมาหาเ่ิงชีวิตในทางที่ชอบสอนเบกลางสอนให้ปฏิบัติตนตัวอย่ให้มีโทษอย่าให้มีเวรในภัยสอนเอปลายสอนให้เบื่อหน่ายครายมาในวัตฏสงสารพุทโธ พุโทโธอยู่ที่ดวงใจแปลว่ารู้ละบาปบําเพ็ญบุญธรรมโอสองไว้ซึ่งละบาบปบาเพ็ญบุญสังโฆปฏิบัติเพื่อระบาปบําเพ็ญบุญตกลงพุโทธโธธรรมโอสังโฆก็อยู่ที่ดวงใจของเราแต่ละท่านและท่านทําความดีไว้เป็นที่พึ่งของใจทําใจว่าเป็นที่สร้างความดีตาหูจงเรื่องกายมันสร้างไม่เป็นเพราะใจเป็นนายหน้าใจเป็นผู้บงการ สำหรับกายวายตาย เ, ปเป็นผู้รับใส้ของ ใ, ใ, ใอก่ไว่ว่าจ่าใจเป็นผู้รับใส้ของกายกายว่าจจะอกกายว่าจ า, จาเป็นผู้รับใส้ของไจใจเป็นผู้บงการทำดีก็ทำ่ทำหายใจท่ำซัวก็ทำ่ำหายใจทำให้ผู้อื่นมันบ่เอาทำให้ดินฝ้าอากาศมันกับบ่เอา เฮ็ดดีก็เฮ็ดห้ใจเฮ็ดซัวก็เฮ็ดหาใจเดี๋ยวพยายามเฮ็ดดีหายใจนะตอนได้เฮ็ดชั่วห้ยใจใจก็เดือดพอนตอนได้เฮ็ดดีห้ใจใจเป็นผู้เฮ็ดสนใจก็ว่าเดือดพอดเรียกว่าศาสนาใจเราจะไปหาพระพุทธธรรมพุ่นหักตกลงกมบใจวัดศียนก็ตัดลงในศียนตัวเดียวได้เสียนใจ เว้นจากคาทัศน์รักทรพัพยเพลิดเิในกา่าวคำสอนในไตโรคทานเนี่ยมันบ่เสมอเหมือ น, นคำสอนในพุทธศาสนาห้อดอกมันก็ใกล้รังเรเยดด้ยคำสอนในพุทธศาสาะนาะสอนทั้งมนุษย์สมบัติสอนทั้งพุ่มสมบัติสอนทั้งเนื้อผ่านสมบัติ ด, ด้วยมนุษย์สมบัติก็คือเว้นอบายยมุกอบายมุกเป็นมนุษย์เบบัดดิเพราะได้ไปเห็ดเขาเลยเสียหายบัด บ่ไหวหนะบ่ถือสั่นวัต น, นะคือไฟผูดด้ใดไปจับกัใหม้มัดไปจับทานเบื้องต้นถือเบื้องปลายก็ถือะเบื้องต้นเนาะเปลืกถือเบื้องปลายก็บ่าเถอะคนเขียนตัวกอถือตัวขอตัวข้อตวัอตวงอถือสักันมันจะก็ยจะเขียนสุโ ม, มนันถือมันจะจดจำสุโ ม, มนันได้ อันนัคือกันการข้องชีบถูกกรณ์การปฏิบัติจังสิถูกการปการปฏิการค้องชีบที่ถูกก็เพราะว่าจิตใจมันผู้ก็จะน่าสิ่งที่ได้ขวรท่ำเราจึงท่ำสิ่งที่ไดบกสิ่งที่ได้บกควรทําห่อข่าวบ่ท่ำมันใจมันึกอันนั้นอะไรสิเหตตาอเาเพื่อใจมันมัดว่าสิ่งเจ็บหายตายบดมันนึกขี้ข่ายขี้ข่านมันช้า มันนึกจกคาต้นจะคาให้มันฆ่ามันนึกจะรักก็รักให้มันฆ่าเดี๋ยวไว้ใจโบมี่ขอบเขตนะใจโบมีมีคู่มีอาจารย์นะเดี๋ยวเป็นสิทธ์ที่โบมี่คู่ใจมันนึกอยากไปใช้เปลี่ยนนะมันมัดมันงนึงอยากกินเรากินให้มันเออผู้เมาคนมันกายพี่เขเสียเงินแต่มันกายให้พูดทีไต่ไปหามาใจมันกับไม่จะออกขอบเขตจะเถอือ เราบังคับใจเหมือนนายสารสีฝึกมา้บาบังคับได้ใจสำรับนึกคิดแน่ว่าเป็นแต่ยึกคิดเท่ากับว่านึกคิดแน่ว่าเป็นประโยชน์แก่ใจนึกคิดมาไฟมัน่นทำมันเดือดหอนกับว่าถือคิดได้แนะ่จะเป็นมงค้นแก่มัน่นสิ่งใดที่มันเป็นประโยชน์ตนแต่มัาถังไปทับผู้อืน่นสิ่งนั่นพระพุทธเจ้าท่องหามสิ่งไหนเป็นประโยชน์ตนด้วยเป็นประโยชน์ท่านผู้อื่นด้วยสิ่งนั่นพระบรมศารีรา ทรงสรรเสริญเช่นเท่าว่าคาสัดยังสิก็เป็นประโยชน์แก่เท่าว่เป็นเว้นย่มไพ่กับเขาสัดเขาก็บว่าได้ราแย่งเท่าเขาก็บว่ได้ตายย่อนเท่านี่เป็นประโยชน์แก่เท่าด้วยเป็นประโยชน์แก่เขาด้วยเช่นเท่าว่ารักทรัพย์ยังสิเท่ากับว่ได้มีเว้นไม่ไพ่กับเขาเขากับว่ได้ไม่เว้นไม่ไพ่กับเขาหนักนี่เป็นประโยชน์ทั้งตนแล้วก็อื่นเราพอประพฤติผิดในกรรมเขากับว่าได้กระทบกระเทเชิญกับเขา เท่ากับว่าในมีเวทนแพยเขาน่ะสิ่งที่นีงกเสีมันเป็นประโยชน์แกตัและอื่นเท่าว่าพูดเท็จ่โกหกปกลมเทากับว่าเสียเวลาพูดเขากับว่าเสียเวลาฟังเทาบ่าดื่มสุราไม่ได้เท่ากับ่มีการทะเลาะวิวาเท่ากับว่าเกิดโรคเทากับว่าต้องเสียเตียนเท่ากับว่าต้องถูกต้องบลาอายเล้วเอายเอะกลังปัญญาเทากับ่าอนเสบบอ บ่เสียเสียทัพย์ก่อการทะเลาะวิวาสเกิดโรคต้องเเตรียมไม่รู้จักอายคอยกำลังปัญญาการทะเลาะบ่แย่งไม่การดื่มโซดาไม่ได้ของเท่ากับบ่มีเท่ากับเป็ุปผู้อื่นกับเปสุปเงินเท่ากับ่เสียผู้อื่นกับ่เป็นซุปผู้อื่นกับเป็ุขกับเท่าเองสิ่งใดที่เป็นประโยชน์กับแกตนวและผู้อื่นสิ่งนั่นแหะเป็นมงคลอนุดมดีของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสิ่งใดว่าเป็นประโยชน์ตนสิ่งใดว่าเป็นประโยชน์กับผู้อื่นสิ่งนั้นไม่เป็นมงคลแก่ เราด้วยแกท่านผู้อื่นด้วยแกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยผลของกรรมมันมีอยู่ถ้าผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาใครจะตัดสินถูกแล้วไม่ถูกก็ตามผลของกรรมมันยังตามสนองอยู่ใครจะกินคอรับชั้นรับเชิญอะไรก็ตามเถิดแต่ผลของกรรมมันไม่กินกับใครความจริง มีอยู่เพียงแค่ไหนก็ตามอย่างเพียงแค่นั้นละ่ะส่วนจะตามเร็วหรือช้ามันไม่เป็นหน้าที่ของเราจะไปกะเวลาหรือตั้งนาทีกาไว้มันมีสิทธิ์อยู่กับผลของกรรมไม่ได้มีสิทธิ์อยู่กับคนอื่นแต่ยังไงมันก็ต้องตามทําบุญไว้ก็ต้องตามหาบุญทําบาปแล้วก็บาปก็มาตามหาหัวใจทาบาปบาปก็มาบวกบาปอยู่ที่ใจทาบุญบุญก็มาบวกบุญอยู่ที่ใจ ทำดีดีก็มาบวกดีอยู่ที่ใจทำชั่วช่วก็มาบอกวกช่วยอยู่ที่ใจมีความหมายอันเดียวกันกำได้ใครเกาะก็เรานั่นเองก่อขึ้นทำดีเพราะเราเป็นผู้เกาะขึ้นเราคือใจใจคือเราสมมุติว่าเราเป็นใจใจเป็นเราเสียก่อนถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีที่จะปฏิบัติ รักตนก็คือรักใจเบียดเบียนตนก็คือเบียดเบียนใจนะทําประโยชน์แก่ตนก็คือทําประโยชน์แก่ใจสิ่งไหนที่ไมเ่เป็นประโยชน์แก่ตนสิ่งนั้นก็ไม่เป็นประโยชน์แก่ใจอัจหริอัตโนนาโถพระผูเป็นเจ้าก็คือใจเรา พระบรมาศาสดาสอนให้ปฏิบัติพระผู้เป็นเจ้าคือใจเราเนี่ยยาให้ใจพาไปทำผิดให้ใจพาไปทําถูกพาใจาไปทําถูกมีสติปัญญาออกหน้าใจไม่ให้จะปล่อยให้ใจพาไปทํามันนึกจะทำก็อะไรทไรําไปตามมันตามอาเภอใจของมันมันก็ไม่ถูกธรรมัญญาตาเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์อัตถัญญาตาเป็นผู้รู้จักผล รู้จักว่าสุเป็นผลแห่งเหตุเทุกอันผลเป็นแห่งเหตุอันนี้คือบุคคลคนนั้นเลือกเฟ้นเป็นแล้วมีตาสนเข็มได้แล้วรู้จักของดีของชั่วแล้วผู้ไม่รู้จักของดีของชั่วจะประพฤติดีประพฤติจะประพฤติดีได้อย่างไรผู้ไม่รู้จักความชั่วจะแว้นชั่วได้อย่างไรนะผู้ไม่รู้จักไฟจะแว้นไฟได้อย่างไรผู้ไม่รู้จักน้ำจะดื่มน้ําได้อย่างไรฉันได้กว่าดี เ้าเปิดมาสร้างความดีไว้เป็นที่พึ่งของตนใจถึงก็ใจถึงทางทําดีไม่ได้ใจถึงทางทําชั่วเมล็ดวันมันใจถึงทางกินมูดพูดเมล็ดพึ่งมันก็ใจถึงทางกินเยสเสอนบอกไว้แต่มันให้ผลต่างกันพวพร่อพวกสะดมเขาใจถึงเหมือนกันแต่ผลรับเขาเป็นทุกข์พวกเวน้นเขาใจถึงเหมือนกันแต่ผลลับไม่เป็นทุกข์ คนเราใจถึงทุกคนแต่ขอให้ใจถึงในทางทำดีเพื่อปเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์เพื่นถ้าเราใจถึงทําชั่วเราจะสาคัญว่าเราฉลาดอันนั้นเราก็โง่ทาง ล, ะ ล, ะละ้าดผลของชั่วชั่วก็มาหาเราทีนี่เราเข้าใจว่าเราเป็นผู้ฉลาดแต่เราทําชั่วใส่ตัวผลของความชั่วก็มาอยู่ที่ใจตัวเราจะไปกู้เคสตะเคียนไหนก็ไปไม่รอดเช่นเราทําผิดอย่างนี้เขาจับไม่ได้เราก็ไปซุกซ่อนอยู่เหมือนกัน เป็นทุกข์หัวใจเขาจับได้แล้วพอเย่งเป็นปลายใหญนะ่ถ้าเราไม่ทำผิดก็ไม่มีใครจะมาจับเราเรานั่งอยู่ก็นั่งอยู่แบบสบายไม่ละแวเงเขาจะมาจับมากุ ม, มทำดีก็ทำให้ตนทำชั่วก็ให้ทำให้ตนพระพุทธศาสนาเทศอยู่สีชังห้าพรรษาก็เถอะขอเทศว่า จงทำดีจงทำดีจงทำจิตให้บันเทิงในการละว่วดทำดีเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่นละงมาที่นั่น เราอยู่ร่วมโลกเหตุถึงนั้นจึงมีพระเวไนยไม่รักของกันไม่ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ไม่ทำร้ายร่างกายของกันเพราะพุทธศาสนาสอนอให้เอาตนเป็นพยานมีผู้มาฆ่ามาแกงเราเราชอบไหมเราไม่ชอบคนอื่นเขาชอบไหมเขาก็ไม่ชอบมีผู้มาเบียดเบียนรักทรัพย์ คนอื่นเขาชอบไหมเขาไม่ชอบเราชอบไหมเราก็ไม่ชอบะเมื่อรู้จักว่าเราก็ไม่ชอบคนอื่นก็ไม่ชอบแล้วเราก็ต้องเว้นไม่แสต่อยากร้อนละเมิดมุสาถ้าพูดปลดปลกลวงมีผู้มาปดพูดปลดปลกลวงเราเราชอบไหมเราก็ไม่ชอบคนอื่นก็ไม่ชอบเ พ, พาเสียประโยชน์ทั้งสองฝ่ายผู้ฟังก็ไม่ได้ประโยชน์ผู้เอาไป ป, ปฏิบัติตามก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะโกหกพกลม ถ้าชาวโลกมีเส้นห้าบริบูนแล้วเรือนจำก็ไม่ต้องมีทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีของต้องปูวงก็ไม่ต้องมีคุณแคน่ะกฎหมายก็ไม่ต้องเรียนมากจะเรียนจี่าล้านกฎหมายก็าตาม ถ้าคิตใจไม่มียางอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปแล้วกฎหมายมันก็ไม่อยู่แตกกระจึงเลยเหตุจากนั้นถ้ า, าเรามาสาสดาจึงยืนยันว่าทําเป็นโรคกระบาลคุ้มครองโรค ก, ก็มีสองอย่างเท่านั้นความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโรคได้ถ้าไม่มียางอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปแล้วกฎหมายกัดหมู่วัดทัก ก็โทษก็ตั้งไม่อยู่อูของทำไม่นำคำหนึ่งก็หมดที่เพึ่งพิงอาศัยทำความชั่วในที่แจ้งไม่ได้ก็ไปทำในที่รับมันไม่ทําไม่ซีรับเสียแล้วทุกวันนี้มันเอากันตาใสๆโป้งเลยนัดเพราะไม่มียาอาสาบ้าถ้าทําแล้วแทนที่ว่าจะอยู่เป็นสุขมันก็ไม่อยู่เป็นสุขมันก็เป็นทุ ก, ก, ทกข์อยหัวใจนั่นเองนึกถึงเวลาอะก็เดือดร้อน เหตุไนจึงว่าอย่างนั้นเราเคยได้ยินนกตัวหนึ่งถูกหัวใจมันถูกเข้าที่นี่แหละแต่อายุสิบห้าปีแต่พอมาถึงส5งพันห้าร้อยห้าร้อยสามสิบโรคหัวใจก็ระเบิดที่ยิงตัวยิงนกนี่แหละออกมาปวดเนี่ยเกือบไปรวงพยาบาลไม่ทันนั่นผลของกรรมมันตามสรองแล้วเข้าใจมันจบกระเกียนแน้วมันไม่จบ มันยังตามมาอยู่ทำอายุทำแต่อายุส5ห้าปีนี่มันยังตามมาอยู่นี่เดี๋ยวนี้ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลศรีนครินเข้ามารักษาอยู่ห้าปีแล้วเดือนละข้างเข้ามาเนี่เห็นกับตาสิ่ง ท, ที่ทำไม่ดีเห็นกับตาอายุห้าปีไปใส่เบตไก่เอาเบตคันเนี่ยไปวางไว้ ไก่ก็มากินไก่ก็ขอเมามากินอายุห้าปีขอมัากินมันก็เกาะคอเขามาัแบบนก็ๆๆดงเออเราจะทํำยังไงหนอทีนี้มันนาก็ะดุกทีนี้เออเขาไปไล่ไปนาหมดแล้วมึงมาทําอย่างนี้กูก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะออืเอาออกก็ อ, ออกไปได้เกาะคอเขามาัแบบนกตัดเชือก รักเราเพราะเข้ามเชื่อกอยู่ที่ต้นของมันก็มนไม่รู้ว่ากี่วันมันจึงจะตายเพราะเราอายุห้าปีจําไม่ได้นี่ก็อยู่มาอยู่มาอยู่มาอยู่มาอยู่มาผลของกรรมก็จามาจำมาจา ม, มาจา ม, ม า, า, มมาผลของกรรมมันเบ็ดเรามาอยู่นี่สิบครั้งครั้งที่หนึ่งเห็นไหม เห็นไหมกัดลบกัดหอ่อกําลังจะเอาเขาแทะเอาเขา้าวแทะปากเนี่ยเอาเขา้าวแทปากโอ้นีอ่ออกทิ้งพวกเนี่เหล่านี้มันจะเบื่อเรามันเอมันเอาไม้กัดหม ก, กัดห้อมาใส่บาตให้เราไอ้แช่แช่เรารู้จากบุพกรรมของเราอยู่เราทำท่ากูเขาแต่ผมก็ไม่ได้ทาครับแผมก็ไม่ได้ทาครับแต่ผมก็ ดูอยูท่ทุกวันทุกวันที่เตือนที่นี่หายไปอยู่มาอยู่มาอีปีปีที่หลังก็เห็นอีกเห็นอีกทั้งแปดเก้าข้างสิบข้างบางทีก็เขี้ยวจนถึงแทงเขานี่ได้คายออกข้างที่สุดท้ายสองปี3ปีเห็นข้างหนึ่ง2งปี3ัปีเห็นข้างนึงก็บกุพกรรมที่ไก่ตัวนั่นเราเนิรึกถึงไก่ตัวนั่นเลย เราเห็นอนะ่ะเอเวรเขาไก่ตัวนั้นอนะ่ะยังมาเรายังอย่างนั้นทีนี่ข้างที่สุดท้ายเฮ้ยเล็กตะแกงเล็กโรงสีเขาน่ะ อ, อยู่ในขนมปันบ้านเมืองของเขามาอยู่มาอยู่ที่ของเราเขี้ยวเข้ามานี่ก็ปกักปากไงใครที่เดี๋ยวนี้ยังไม่เห็นเนี่ยจิ๊บเอสข้งแล้วเนี่ยเราระวังอยู่ทุกวันเนี่ยมีน้ําซ้ายังไม่เอกเฮ ผลของกรรมยังตามมาอีกเขาเอาไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลศีนคลายินเพราะเป็นโรคสงดำดีเป็นนิ้วเนี่ยเขาเอาสายยางยัดใส่นีย่ยัดใส่เนี่ยลงมาเราก็นึกเห็นเวีนไก่ตัวนั่นแหละเเวียไก่ตัวนั่นแหะเราบอกเขาล้วเกณฑเขาจะวางยาสลบให้ไม่ยอมให้วางยาสลบ ถ้าวางยาเสรบแล้วน่ะทวกลูกๆร้านจะเอาหลวงปู่นอนข้างเคียงในโรงพยาบาลหลวงปู่ไม่พอใจจะนอนข้างเคียงในโรงพยาบาลและหลวงปู่พวกลูกๆร้านจะมาผ่าตัดแห้หลวงปู่ไม่ให้วางยาเสร็จหลวงปู่ไม่พยาบาลไม่ผ่ า, าตัดที่เอาย่อนลงมานี่ก็หวังเพื่อว่าจะตรวจว่ามันเป็นโรคอะไรแท้พ่อแกงว่ามันจะเป็นโรคมะเร็งนี่ยิงยอมให้ตรวจนี่เขาก็ยัดเข้านี่ยัดเข้านี่ยัดเขานี่ข้าวเนีัด อ, อ้า อ, อ, อย่างนี้ละ่ะ <c oughs> นั่นแหละเวรของไก่ตัวนั่งล่ะ เรื่องไก่ตัวนั่นแหละตัวที่ตัวที่มันกินเบ็ดเนี่ยออกมาออกเนี่ยออกาอเนี่ยดึงออกดึงออกแล้วก็นึกเียงเรื่ไก่ตัวนั่นแหละนั่นแรื่องเรนที่เราไปใส่เราไปใส่เบ็ดมันถูกปาลาไหลปลาไรกินมันก็ลงท้องลงต้องในแหวกเอาอัน น, าา น, นี้มันมาเป็นนี่โรค น, นี่มันา ม, มาเป็นเรื่องนี้นี่นี่มันตามมานี่อ๋อมันตามมา นี่ยังไม่เอี๊ยดโรคเห็นกับธาตุเนอเห็นปัจจุบันเนอโรคตอนโคกับเขาก็เห็นปัจจุบันอายุยี่สิบ ป, ปีไปจับโคให้เขาเขาตอนโคจับตัวเดียวถ้านะั้นแหละจับแล้วขเขาย่อยันมันหัวละมันถือเป็นของสนุกเขาจะแปลแงรูปแปงโฉมให้มึงมึงอย่าร้องให้มึงอย่ามึงอย่าร้องเนอบอกมัน เพราะเขาเหียผามันแล้วก็อุอ๊ก อ, อ, อมันแล้วก็หัวระมันทีนี่อยู่มาอยู่มาตัวเดียวท่านั้นได้กันเลยมันบมีคนกุงเทพไปเที่ยไถ่ตายั ง, ยงก็ได้เว้ยว่าพระสาบานเทากันเลยเว้ยว่ามีคนกุงเทพจะก้นตตยังไงนะครับ เรตายังาแงเาวตัวมัเคยแล้วเขาสิแปลงหูแปลงสมให้มึงมาท่นมึงเงินมัตอนแก่มาท่นมึงตอนแก่ขันว่แปลงหูแปลงมผมให้มึงอ่ะมแปลงหูแปลงสมให้มึงอ่ะมึงบกอวนมึงเงินไปเช่าเรียสาวมาท่น ไปเที่ยวเรี้ยนสาวหูไปซ้นเขากะันแล้วก็ต้องทับห้ำ ม, มึงทับปันอะสันมึงยังี่สิ้นพยอศอันหา้ายอะสันแล้วมึงก็จักสิอ้วนจักสิได้ขายดีอ่ะสันเปล่นสูเป่ น, ป เ, ปนเขาเปล่นหวงเปลี่นสมใหม้มึงดอกอะสันมึงยากตสิลายตายมึงหลายอะสันเขาคนหน็บทำให้มันได้พี่ทำนี่หน็บำนี่ขามันถูกดหมูบาดถูกกดหมูใช้ข้แคบใเปล่ากนขุตูดเลยห้ำมันกับคนพ โ, โลย่ย่พี่เขานอ ริมมันิมซํานี่หละเาริมซํานี่แคลาุกแ่มันแค่ไหุกอมันก่มยนไม่เก็บปันะเนุ่๊กุกจุนี่สิออน้วอะได้เนี่ยออนจะ้วนะบานนี่ขอนแ้วบานนี่เพีงนี่เพงนี่เพงนีไปมากไหมกัห้องอุกขีสักวออกตัวบัดเือเป็นของสนุกขนาด เอยบักฉี่งอยเป็นแปลงหูแป้งสมเหี้ยมึงดอกมาสั่งมึง ย, ยัสถี่ได้หลายมาสั่งอายุพิม่มี่สิบปีเพิมข น, อน้องเนียอออกมาแล้วมันจะส้นหัวเตี้บามันจะสนหัวแรงขึ้นข้างหน้าพนแล้วบา้านเนี่ยยุ่มยู่มาเนี่สองพันห้ารอยยี่บสองมันกัแปลงหูแปลงสมหเห้สะสะเฮ้าแท้แฉนะได้ไสเข็มขัดอยู่นี่นี่เข็มคัดได้ใสอยู่นี่ ขัดหัวงู่สามารถท่านพาวัดัตนนี่นี่กลรมและผลของกรามมาตามเน่ธาตุนี่แด้วลูกหลานนี่ตามใน่ธาตนี่แล้ ว, ส, วาสาน า, าธาหลังเนอะเออให้เสื้อเก่าเน้่ยผลของกรรมจ ก, กันมันจ้องคอยจิพัฒยวัิสินทรรมวาสันมันบอดบัฒยวัดนี่นี่นนนยีเป้ายงอักขาบารีกอรกุกอีอ่มันเห็นกับตาอยู่นี่อันนี้ก็มีมีพบว่ากล ร, รมมาเนื่งนี่อันไเข็บคัดอยู่เนี่ยไสคัมัด ห, งหงงัวงูไว้เพรหามันลงเนี่ย สามารถท่านบรพวัตต์ลดแรงดันขคืนในโรงพยาบาลยังมีเวทในเรื่งอีกมันผสมกันเนี่ยไปยังง้วนยังกล้วยอายุ13ปีได้กบได้กบกับผูกเอลฮัดชะกับทั้งนี้เอาผ่าคอนห้องเข่าเคลื่อนเอลเนี่ยกับประเดก ไปแยกง่อยถ้าผาขาดาขาาาบุ้ช่าไปเจอง้วนเลคว้วยกบไปกบย่ํเแล่ยกับผูกเสผูกแอลเสกหิวไปตอนนีน้ตาเดียมพะล่อพะลอไปเขียวลึกือลึกือตายถ้ากรพียงกินนี่ก็กะแต้วเอาเสีย้ยคัดแออยู่เนี่ยนี่เข็้คัดมะ่นี่คัดแอลอยู่นี่นั่ น, น, น, นเห็นกับซากเห็นบ่นั่น ม่เพื่อเฮ็ดมาให้วกูมันเบ้อมามาเฮ็ดกนผม่ว่ามีตะบุญตัวบุญเพิ่นมามีมบุญเพิ่นก็ม่ขื้กันต่บุญตมีเนี่ยบวกว่ากันอกบุญผู้บาอาจารย์บุญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุญญาบุญโน้มเนี่ยมีมีต่บุญตมาสูมีบโบได้ว่าอกมีบุญของเพิ่นนั่มละบุญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นเหตุบุญของผู้บาอาจารย์ของมูของเพื่อนของญาติของโนมในทีทคี โตบนทางนี้เนวบวกน้ำวันสันเราบวกบนชุ่มนี่มันโคโรน้ำกินวนันสันเราเคยได้เฮ็ดมาบาพเพจแม่ตอนนั้นก็เห็นกับศาดเฮ้ยเขาไปเก็บน้ำไม้เขาไปเก็บน้ำไม้โค ก, กอาอยุสิบหปีออกโรงเรียนแล้วปา้าหยาเพชรมัน ป้ายาเพชรเรียบไปโคกอ่ะมันมุ่งมันมุ่งหนทางอนะ่ะมันมุ่งหนทางอนะ่ะเอาเครื่อจานเอาไปเคลือบจานไปคางไปหางขาเขาเขาย่างมานี่เขาจะถือวัสดุกู้สาวไปหามนอกไปห่วงก็สัน่นอาอยุสิบห้าปีได้เข้าย่างมานี่มันจะถือบ่องวงหระเข็ดเสือกแล้วเนี้วะไอ้สนแค่จะเซ็ตสันเขาจะลบปลาแตกก็สัส่น ไปถือบ่วงขาเขาแล้ววะเนี่ยของคนท่างันโพงสิเชือกบ่วงตั้งไว้สิเขาเป๋ได้เตะอะเสียกเชือกจานเสียเชือกจานน้อยๆซ้ำเล็กน้อยเนี่ยผูกกับงงเลยคนเนี่ยงาไปเขาเตะพูดแล้วเาเตะมาหากินพ่อกินแม่กินตัมกินผอดบ้นเขาไ่้ตัวกับหมอบบังเยอะไปหาบอเปล่ยนเปล่ยนหา้าว่มใช่ไหมวะได้ไหมท่านเขากอบว่าพ่อเสรยลมหอกมันงาเนี่ คนผู้นึงลม้มผนึงเตะบขาดได้ลม้มมวหัวหลมันไปมันไ ป, ไ ป, ไปถเ ต, ตะเตะบขาดได้ล้มมันล้มแล้วก็หัวอดหอัวไปได้โรกระตาเพียบบดมาย่นีล้มหาเชื่อนี่ได้ับสิ บ, บรุได้ <c oughs> นสี ย, ย <c oughs> ใจวนรอนสียหาที่อามาย่นีนั่นแหละเว่นนั่นแ ทำเว้นไหนได้ไหวได้ทำดีอันไใกลก็เห็นคือกันทำช่วนัดได้ไหวก็เห็นคื้กันนะบุญมีบาปมีเชื่อบาปมีบุญมีคักแล้วมันก็พอจะลองรเมิดแล้วแมันเชื่อนะมันจังลงรเมแน่แนวหนึ่งเป็นห่วงลูกห่งหลานอยหนึ่งเล็กน้อยเล็กน้อยยาสุภากระป หัดหลมกาวจะพรกกันยอกกันไว้ลุกร้านด้วยดีดีอวยนักเรียนอยู่ดีๆนักเรียนอยู่ดีๆเรียบแล้วไปยอกกันจงให้ถึงอะไรถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอากิน อาหารของใจของเฮ้าคือคุณพระพุณพระธรรมพระสงฆ์อาจารย์ของเฮ้าคือคุณ พ, พระคุณพระธรรมพระสงฆ์เ้าเอามาไว้ห้อใจมันจะบาดหายากพุทโทพุทโทษยังให้ใจทโหม้อทัโหมอยังให้ใจทั้งข้ทั้งขอยังให้ใจนี่ยเท่าไร ล, ลึกถึงบุญบุญกระสูงขึ้นสมือเท่าไร ล, ลึกถึงบาปบาปกระสูงขึ้นใด้คิดได้ใจเฮ้าเสมอเฮ้าเลยถึงบุญถึงพระพุธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งที่มันเป็นประโยชน์เท่าจังเหตสิ่งที่เป็นประโยชน์เท่ายาเสพตังเหตเท่าจะจะให้เขาเย่าได้ ได้เขาเหาไปทำผิดทำชั่วได้ขันมึงว่ามึงใจถึงไหมันมึงก็กินปลาเดียบอะกูเบิ้ลโน่บักนึงันกินปลาเดียบป่ะน่ยพรานั้มึงแกถึงมึงก็กินตั๊งว่าตั๊งช่ยอันว่าฮะเนี่ย ขางัวขาก้วงเนี่ยมึงกินได้กูบ้างกกินไปกินมาก็เป็นโรคเป็นโรคอยู่ยนยหัวใจเทียบอะไรเป็นโรคตับโรคปอดโรคมาเร่งนายตับนายไตนายไ้ใส่นาพุ่หนักจริงั้งผัวมันเท่าเฮ็ดเอามาได้ควบบอดีก็มันเท่าเฮ็ดเอาอันนี้ก็มันเท่าเฮ็ดเอาละเนี่ยกานเท่าว่าไปตอนกวเขาก็ม่ได้เป็นนี่ยอันนี้ก็ไม่เท่าเฮ็ดเอานี Pepper ่กเท่าว่าไปยิงโลกเขาก็ไ่เป็น มันเกิดแก้บตายกับเทาเห็ดเอาันว่าเขาบกเกิดาแกแก้ตายกับเท่าเขาสืพันธาขเพ่อาเขาไ่ได้มาตายอีกว่าเ่นว่าก็มีแต่เ่าเห็ดเอาลองใครของมันก็ได้คนดีคมชั่วเขาเป็นคนทุกข์คนจนกับมันเทาเห็ดเอาพอเขาบ่เคยด้ให้ท่านรักษาศีลภาวนาจะศาสตร์กรเขาเกิดว่าเขาเป็นคนทุกข์คนจนเนี่กับมันเท่าเห็ดเอาว่าเขาเป็นคนงูจะศาสตรกรอนเขาเข้าไปในวัดในวัดในหาคูบาอาจารย์เขาว่าฟังศีลฟังธรรมของเพ่น ขาเกิดว่าเข้าวก็เป็นคนโบกับไม่ข้าวสางเอาเด้ทุกทิ้งทุกอย่างมันมาเกิดทุกทิ้งทุกอย่างมันมาเกิดมาแบบร่อยๆเกิดมากน้ําผลของกรรมที่ข้าวสางเลยพอเราคนว่าตายแล้วศูญมันสะสูญยังไงมเคื่อนนี่ตายแล้วตัวมันสามารถเกิดมาอยู่สั่นนอนนับโกโกกับพมันเกิดมากิตเขายังเด้ผมว่าเกิดมายังสามจิตเขายังมันสูญไปไสนั่นประโยชน์ในปัจจุบันมีสีอย่าง วุฒิฐานในสมถะถึงพร้อมด้วยความหมัน่นในการประกอบคิดเครื่องเรื่องชีวิตก็ดีในการศึกษาโรงเรียนก็ดีในการทำตระหนักหน้าที่ของตนวกดีอนกักขาวสมถะถึงพร้อมด้วยการรักษาคือรักษาทรัพย์ที่แสวงหามาได้ด้วยความหมัน่นไม่ให้เป็นอันตรายก็ดีรักษาการงานของตัวไม่ให้เสือเอเ่อมเสียไปก็ดีสมัยชีวิตตาความนี้ยังชีวิตในทางที่ชอบนี่ประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ภไพนาพางนา ศรัทธาสมร t h ถึงพร้อมด้วยศรัทธาคือเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อเช่นเชื่อว่าทำดีได้ดีทําชั่วดีชั่วเป็นต้นศีสลสมร t ถึงพร้อมด้วยหินคือรักษากายวายจใให้เรียบดอยดีไม่มีโทษญาขะสมร t ถึงพร้อมด้วยการบริจาคทานเป็นการเฉลี่ยสุขให้แก่ผู้ อ, อื่นปัญญาสมร t h ถึงพร้อมด้วยปัญญารู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เป็นต้นประโยชน์จะพายภางหน้าคําสอนของพุทธศาสนาสอนมด่ ไม่มีอะไรจะสอนเก่งกว่าพุทธศาสนาดอกผู้หวังว่าจะได้ไอบายยมกุกผู้นั้นเรียกว่าผู้นั้นไม่รู้จักอบายยมกุกผู้ที่ไม่ล่วงระบายมกุกอบายมกุกเรียกว่าผู้นั้นรู้จักอบายยมกุกใครจะทําก็ตามเราไม่ทํารัฐบาลท่านทําท่านก็เอาเงินหลวงไปทําแต่เราเอาเงินในกระเป๋าของเราไปทํามันก็ช่วไม่ได้ ถ้าเราชสีหายท่านก็ชิบหายเหมือนกันเพราะท่านเอาเงินรัฐบาลไปทำเราเอาเงินกระเป๋าของเราไปสู้ซื้อหวยใต้ดินใต้ดินมันก็ไม่ได้มันชิบหายท่นน่ะทิ้งฟืนใส่ไฟเห็นกองจักป่าเป็นดอกบัวเห็นเจ้าหัวไปผูกเอเล็ก <c oughs> สิเงอื่นอีกโลก ท, ทุกวันนี้มันชิีหายเพราะอะไร มันก็ชิบหายพรอาบายมุกมีเงินเท่าใหก็ไม่พอมีเงินเท่าไดรก็บพราพ่อใส่พ่อสอยมันไปชิบ่ายแล้วชิบหายแลาวอาบายยมุกเสมอเนี่ยงิ้นเดือนกับว่าพ่อใส่ขายข่าขายนํากับ่พ่อไส่งันเดือนเท่าไดรกับว่าพ่อใส่ชิบหายแล้วอาบายยมุกชิบหายไปชิบหายมากชิบหายไปชิบหายมากเลยออกไปอยู่ประเทศอื่นนะบัดออกไปอยู่ประเทศอื่นก็บว่มีสิทธิไปซื้อที่ดินงเขาก็ไปบัญชีขาเขาหันละ เขาขม่าในประเทศไท่ห่อเขามันมีเงื่นสื่อที่ดินนั่นเองเขาขย่อมให้คนไทยคนเล่าเขาเนี่ขายให้เขาเหมืนนั่นวิวันยูแล้วไหนจะอุทิทานฮะเข้าไปยูแล้วเขาเข้าว่าน้มีที่ดินแั้นเป็นเป็นกีคาเขาตรงโต้สามน้ำเจ้าใบวิสาเขาก็ยังสีบัวหายยวดขากรับเขาจะเ่าไปเป็นกีขาห่บทนว่าเขาพี่ก็น่า่มันดีมันไปจากอนไรเป็นนี้เป็นชินอยู่เสมอเนี่ยไปจากเอาบยมุกมาแล้ว อ้โมนี่น่ยห้วมว่าแต่ว่าธรรมะสั้นสูงสูงมัส้นนี่มันผิดไปได้วั้นนี่มันว่าวว่าว่าวว่ามักผลเนปาลไปว่าวตายยังแค่ชั้นนี้แตยังมาถือสั้นเลี้ยงชีวิตแต่ยังมาถือยึดไปฝันเลยพระเนพานนะร่างเรามิ่งจะซื้อมันตัวนอสันเองตัวพ่อตัวนาตัวนอนูตัวก๊ดจะมนุษย์สมหวังแตยังมาถือ มันว่ตถุมนสมบัติจะไปถือสมบสมบัติอย่างไรจะไปถือพุอมสมบัติอย่างไรีไปถือนิพนธพานสมบัติอยงไรมึงก็แลยาเท่านั้นไหนวะของท่านว่านั่ง น, นี่เนยขอจำขั้นมั่นคำว่าเราเหียบกีใกล้ก็บว่าแตกบรท่าเรือคนว่าเศราเรียนหเขาหว่าเสียห่อนมึงตายฟ <laughs> ุกขานี่แหะผู้สังสินถึงฆ์ธรรมว่าสังฆ์มาติมาติแค่ไปหาผ้าไป ห, า, า, เ า, ไปหาเตลิดโอ้ยสัผฆาเนี่ว่าสัา เรีกมันมมว่าสมควรหรือล่าสมควรหรือเล่าเอาหรือ่เอาหรืนนอ่เอาล่้ เ, าเานาะเวลาเท่านี้เข้าขืนมากนี่พอมมมมมม่อช่อโม่งปะนะเข้าขืนมากนี่พ่อชมมมมมม่โอโมงปะห่วยออรัสสัตยยะทาวาจิวะาปูราปิโตเรเตชาคารัรราางเรวีโตทินัง เปตานังุปาปฏิติตังปฏิตังตุมหงชิพเมวะชะมิสตุสภะเรนตุสังขปัญันโทปนรโสยะถามนิโสธิรโยถาสภีติโยยวัจันโสทุโคสภะปโยสภะโรโควินัสสัตุมาเตภวัตวันตรายโยสกีธีคายโยโาวอภิวาสนาสีฤทธาเนจยังโมทาปชาโนยะตาโรธรรมาวัทันเตอายุวันโนสุขังภาลังสภะพุธานุภาเวนะ สัพพะธมานภาเวนะสัพพะสางคาโนภาเวนะพุทธะตนังธรรมะตนังสาคาตนังติณังราตนังอานุภาเวนะยัตุลาสีติชาตธรรมกันธาโนภาเวนะวิตกัตตญาโนภาเวนะเชนสาบานโนภาเวนะสเปเตโรคาสเปเตปยาสเปเตอันตรายาสเเตอุปัตถวาสเปเตทุนยมิตาสเเตอวมังคราเวนสันตุ อายุ ak aka, วัตโกตากาธวัตโกตากาธิริวัตโกตกายาสวตโกตกาภารวัตโกตกาวันณวัตโกตกาสุขวัตโกตกาหัวตวสัปทาทุกโรกัรยาเวราโสกาสตูจุ ป, ปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินัสสันจุยจเตชะสาเชลสิ ท, ลสทธิทักษนังราฟังโสตีภาคยัง สังขังสัขังสิอายุจาวันโนเจ้าโครังวุตถีเจยสวาสวัตตสตวัตสาอายุจะชีวาสิทธิพวันตุเตผวาตุสัพกำบางสังขันตุศัพปเทวตาสัพพุทธานุปาเวนะสัาโทธิพวันตุเตผวาตุสัพกำบางฆังลังขันตุสัพปเทวตาสพพัมานุภาเวนะสัาโสธิพวันตุเต ว่าสัปวังคาลังขั้นสัพปะเทวตาสภาสรางคาโนภาเวนะสทาโชดสีพวันทุเตอยู่ทุกเมื่อมีประมาณนั้นเถิดพุทโธธมโมสังโฆนิพพานังุตตทัสโลกท้งเวนทัไั้อันตรายทตั้งเส้นอย่าได้มีเพะมาเาะพาย่ท่านทางหลายจะทุกทั่วหน้าทั่วทางใโลกาอยู่ทุกเมื่อเถิดเอ้ายงางบรินี้ ก็มีตำรวจใส่เรือจนจำก็ไม่ก็ไมมีคดีดําคดีแดงในโรงในศาลก็ไม่มีค่าชาวโลกมีเสีนห้าบริบูรณ์แล้วนั่นเราจะ ป, ารประมาทประมาท ค, คําขอพระพุทธเจ้าไม่ได้การเจากระบอกในะร่างกายมีการเจากระบกทางใจก็ต้องมีใจเจากระบกจะเอาอะไรมาล่าก็คือเอาความดีนั่นเองมาล่าก ความดีคืออะไรคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศีลสมาธิปัญญาสำหรับล่าความดีสำหรับล่าสิ่งทกระปกโย ม, มออกกากสกลละใจสกลละกายก็คือนม้มคือสบู่นะที่รอทั้งหลายก็ต้องมีคุณหมอโรค ก, กายโรคใจก็ต้องมีทำวิในเป็นเครื่องบำบัดนะเดียวเดี๋ยว อ่านังเขื่อมาสิงเสือเรียนนักเรีมาดูดูๆๆดดูดเยอะเขาแก้ครัผิดหมดแล้วเนี่ยนี่มันผิดเนี่ยมันผิดแถวนี้เขาแก้หมดแล้วเนี่ย มีพิด ส, สามตัวนี่ CH. ด้านในไ ม, ไม่ไม่ผิดนี่ฮอเออาด้านหลังเท่านี้พิดสามตัวตาดีไหมอ่านได้ไหมอ่านได้อ๋อเฮ็ดมันชิพหายแล้วจะไปเหนียวเา จะไม่เหนียววิ่งวอร์ให้มันเป็นเหตุทางเจริญมันก็ไม่เจริญนะมันไม่ขึ้นอยู่กับความเห็นของพวกเราที่มีกิเลสถ้าอย่างนั้นถ้าเดินจงกรมก็ต้องทายขบอกงน้าไปเดินไปก็ห <c oughs> ยาดน้าไป <c oughs> อะไร้คนทั้งหลายมันเข้าใจผิดเฉยๆหรอ เราทํำบาปก็ไม่เห็นอยากหน้ามันเป็นบาปเราทําบุญก็ไม่ต้องอยากหน้ามันเป็นบุญก็ได้แต่จะอยากก็ได้แต่ไม่สงสยัยอยากก็ไม่สงสยัยไม่อยากก็ไม่สงสัยให้เ น, นื่องจากนี้ฮะได้กุศลแจ่ตนเองในชั้นในชั้นกลาง เพราสมาธิกำจัดกิเลสชั้นกลางให ia iana, ้บรรเทาในชั้นกลางปัญญากำกจัดกิเลสชั้นสุดท้ายศีลกำจัดก um ิเลสชั้นหยาบแต่ไอาที่แท้ศีลสมาธิปัญญามันกลมกลืนกันอยู่ศีลสมาธิปัญญาของพระโสดาบันศีลสมาธิปัญญาของสกทาคามีศีลสมาธิปัญญาของพภาานาคามีศีลสมาธิของปัญญาของพระหันนี่ีมันปวดนี่นี่ก็มีรสชาติต่างกัน ไอ้ที่แินศีลสมาที่ปัญญามันไปด้วยกันศีล ส, สมาธิปัญญาของปัศวาวันใครอยากถึงปัศวาวันก็ไม่ยากจะเอาวันนี้ก็ได้หนึ่งไม่เสียดายและล่ว ง, ล, วงละเมิดศีลห้าสองไม่เสียดายเลื่องอบายมุกสามไม่เสียดายอยากจะถือศาสตราอื่นสี่ไม่เสียดายอยากจะค้าขาย เครื่องผหาญค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นอลไเนื้อสัตว์เทศตัวข้าเพื่อเป็นอาหารค่าขายน้ำเมาค่าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้พระสวดาบาลไม่เสียดายอยากประกอบเลยไม่คบมิตรชั่วมีเสีย้นทางบริบูรณ์ไม่เสียดายอยากลองละเมิดเส้นห้าไม่เสียดายอยากจะถือเรื่อดียามดีด้วยนั่นละูมิพระสวดาบาลจะเดินยองกมภาวนานั่งตอดรุ่งรลอดตลอดแจ้งก็ตาม ถ้าเสียดายอย่างร่วงละเมิดสินห้าและเสียดายอยากจะเล่นอบายอย่างร่วงละเมิดอวัยจะมุกอยู่มันก็ไม่ใช่พระโสดาวันมันเป็นพระโสดันโสดาโสดคาดขณีนะเข้าใจแล้วนะเนี่ยขาวนาชั้นกลาภาวนาชั้นกลาก็คือเห็นอันนี้จังทุกขรังอนัตตา ภาวนาชั้นท้ายก็พิจารณาระงับกิเลสในชั้นพระสกทาคามีภาวนาชั้นกลางก็คือระงับกิเลสชั้นพระสกทาคามีพระพาภาวนาชั้นต้นคือระงับกิเลสพระสวัสดาวันภาวนาชั้นชุดท้ายคือระงับกิเลสของพระอรหันต์แต่ถ้ายังไม่ถึงมันก็ทำไม่พอถ้าทำพอแล้วมันก็ถึง ภาวนาแปลว่าทําให้เกิดให้มีทําให้เกิดได้มีอะไรคือทาให้เกิดให้มีในบุญภาวนาทานทำไมบุญเฉลี่ยโดยการบริจาคทานสีทำไมบุญเฉลี่ยโดยการรักษาศีลภาวนาทำไมบุญเฉลี่ยโดยการเจริญภาวนาอัภิจารย์ทำไมบุญเฉลเ่ยโดยการประพฤตอบจนแก่ผู้ใหญ่มียาะวะทำไมบุญเฉลี่็จดยการการชวนขนไหวยกิตที่ชอบปฏิทานทำไมบุญเฉาเ่ยโดยการให้ส่วนบุญ ทานโมธนายมายุนเฉลี่ยด้วยการได้ส่วนบุญปัติทานไมบมุนเฉลี่ยด้วยการให้ส่วนบุญคือทบุญและอุทิศฐานท่านผู้มรณาภาพไปหรือทั่วทั้งไทยโลกธาตุธรมมะสวรรค์ไม่มุนเฉลี่ยด้วยการฟังธรรมธรรมเทสนาไม่ามาุนเฉลี่ด้วยการสแสดงธรรมทิดทุกขกรรมการทําความเห็นในตรงว่ามีบาปมีบุญอันนี้ก็เป็นบุญกองหนึ่งแต่ละกองละกองละกองบุญในทางโลกีต่ำกว่าวัตรสราบันลงมาเป็นบุญทางโลกีสมาธิมันมีหลายอย่าง สมาธาิปัสาะสะาวะบัณฑสมาธิพรสสะคาถาคามีสมาธิปัณนาคามีสมาธิพะะระรหันศีลสมาธิปัญญาของปัสสาวะบัณศีลสมาธิปัญญาของพระสะคาาคามีศีลสมาธิปัญญาของปัณณาคามีศีลสมาธิปัญญาของพระหะาาันมียิ่งย้อนกว่ากันเป็นลําดับแต่มีชื่ออันเดียวกันแต่ว่ามียิ่งย้อนกว่ากันเป็นลําดับศีลในโลกีรักษาศีลนะเพื่ออยากได้บัตรได้เบอร์ได้เลขได้ผา ภาวนาพุโทโธเรียกพุโทโธผาพุโทโธบัตรพุโทโธเบอร์อันนี้อั น, นิี้สงเวยมากก็ได้อยู่แต่อั น, นิี้สงเวยมากภาวนาอันไหนก็เหมือนกันภาวนาเพื่อโรกุตระก็หวังเพื่อคนทุกข์นินนวรธาสงสารเท่านั้นไม่ได้หวังอันอื่นรักษาศีลก็เหมือนกันให้ทานก็เหมือนกันให้ทานเขา้าเข้าเม็ดักพั ก, กเส้นหนึ่งก็ตามหวังเพื่อคนทุกข์นวตาสงสารนั่นเรียกว่าโรคุตระทานรักษาศีลคณะคิดหนึ่งเพื่อคนทุกข์นิวรธาสงสารก็่นเรียกว่าโรคุตระศีล ภาวนาคณะคิดหนึ่งเพื่อพ้นทุกนิมิตาสงสารก็อยากพโลกุตระภาวนาพุทโธธรรมโอสังโฆนิพานังเรากราบไหว้เหมือนกันกราบสามเทก็เหมือนกันกาบครบั้งที่หนึ่งพุทโธกราบครั้งที่สองธรรมโมกราบที่สัมสามสังโฆแล้วเขายกขึ้นใส่หัวบอกว่านิพานังเพื่อพ้นทุกนิมิตาสงสารไม่ได้กาบเพื่ออวจจตเถไม่ได้กาบเพื่อรอกกินถนมไทยแล้วเขาพูดอย่างนี้เราตอบเรา <c oughs> ถูกไหม บางท่ากับทําอย่างนี้ดวนไปอะไรตายแท้เการณไ ป, ก, ไปกับทำอย่างนี้ไปเลยนี่ไม่ใช่หมอบ ล, ลูกนักทำอย่างนี้ไปเลยมันมาก่าเกินไปอย่าประกาศอย่างนั้นพราบคนหนูอย่าประกาบอย่างนั้ น, น, น, นมันไม่ได้บุญมากกาบยกกาบให้ดีให้งามๆแล้วเขายกขึ้นเพื่อคนทุกข์ไหนว่าต้าสงสารมาอย่างนั้นเนาะไม่ได้หวังเพื่อมาเกลียดแคบตายเองมีมดเนี่ยต้องซือร้องปูเนี่ย ใครเก่งเอาประวัติของพระภูมไปอ่านน้ำตาไม่ไหลแล้วมันเก่งอะไรมันเติบละ <c oughs> <c oughs> ถ้าเราอุทิศถึงมันก็ถึงถ้าเราไม่อุทิศมันก็ไม่ถึงมันก็ขึ้นอยู่กับเจตนาของเราอุทิศแต่ถ้าหากว่าท่านไปเมืองสวรรค์นะท่านเข้ามาได้ครับเพราะเมืองสวรรค์มันสวยผลมุนแล้วถ้าท่านไปในนรกท่านเข้ามาได้รับ ถ้าท่านไปเป็นเปรตสัมภเวสีอยู่นั้นท่านได้รับมีเปรตจำพวกเดียวได้รับอา น, นิสงส์ที่ไปเป็นสัดเจตคนก็มาไดรับ <c oughs> นั่นันเป็นวัดเป็นวัดคัดจมูก ถามอะไรมาอีกตอบจุใจไว้หน่อต่อไปจุไหมจุใจไหมตอบเมื่อกี้นีฮะดุญที่ฮะ ด, ด, ดุนที่ได้กุศล ส, สูงสุดกว่าเพื่อนสัพพทมมาทนังธรรมทานังชินาติให้อะไรเป็นทานก็มาให้เท่าเท่าให้ทําเป็นทานให้ทําเป็นทานชนะทานทั้วง เช่นเราสั่งสอนลูกของเราให้ไปในทางสุจริตก็เรียกว่าธรรมทานเหมือนกันสู๋ๆอย่าไปเป็นเจ๊โก้เเกเนออย่างนี้ก็เรียกว่าธรรมทานเหมือนกันสู๋ๆอย่าไปดื่มสุรามีอะไรเนอะอย่างนี้ก็เป็นธรรมทานเหมือนกันสู๋ๆจงประพฤติให้ดีเนอะลูกๆเออเอยล้านล้านเอ๋ยเอยอย่างนี้แล้วก็บอกเขาให้ให้เขาไปในประพฤติทางดีก็เรียกว่าธรรมทานเหมือนกันธรรมทานร่างสูงไปกว่านั้น กสเนีห้เขาเบื่อหน่ายใครเมาในวัดตสาสงสารหน่อยยิ่งเป็นทานใหญ่เข้าใจได้นะทีนี้อ ะ, อะไรเองเจ้ผู้หญิงเก่งกว่าผู้ชายนาผู้ชายขี้โลมากไม่มีใครถาม <c oughs> ในชาตินี้เองรับชา น, นี้เอง ก็ได้นั่นก็ได้เหมือนกั น, นอคุณหนูจะไปเอาคนตาบอด ก, กับคนตาดีมาพูดกับกันมันก็จะรู้อะไร น, นะเพราะทานไม่มีมันก็ไม่บริบูรณ์นี่หมายความว่า ศาสนาใดในใดโลกธาตุมันเป็นเมืองขึ้นศาสนาพุทธหมดพระโสดาบันพระจกถาคามีพระอนาคามีไม่มีในศาสนาอื่นเลยศาสนาอื่นเป็นโลกิยะศาสนาไม่ใช่โลกุตระศาสนาไม่ได้พูดเข้าข้างตัวพูดเข้าข้างธรรมเป็นธรรมาทิปไตย พระบรมศาศธ า, าใกล้จะปรินิพพานในเมืองกุชินารามีพระองค์หนึ่งเป็นพระอรหันต์ประกาศทูลองค์ท่านว่าพระอรหันต์องค์นั้นบวชในวันนั้นก็สําเร็จพระอรหันต์ในวันนั้นในวันสุดท้ายที่พระบรมศ า, า, าสธาเรียกว่าสุพัทธะผู้บวชก่อนหมูลเรียกว่าโกนทันญะองค์นั้นสําเร็จพระอรหันต์ก่อนเพื่อนผู้บวชที่หลังก็คือสุพัทธะบวชในวันที่พระบรมศ า, าสธาจะสิ้นลมปานในตอนกลางคืนนั่นเอง ตอนเช้ามาพระโรมศารเจดาก็สิ้นลมปาณในวันนั้นพอเอสร็จสมเร็จพระหารแหาน่ก็กราบทูลพระบรมศาสดาว่าเออชาติน้าอื่นถ้าเขาไม่ประมาทในยันยวิธีของเขาเขาจะถึงพระสวัสดบัน์สักทาคามีนาคามีบา้างหรือไม่พระเจ้าค้า อย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยเราไม่พูดเข้าข้างตัวดอกเราพูดเข้าข้างธรรมศาสนาอื่นมีดาษเด่นทมเถอย่ามาเอาพนเปเทียบกับศาสนาพุทธเลยอย่าเอาศาสนาพุทธกับศาสนาอื่นไปขึ้นสเตี ม, มวยชกกันทั้งพูดอย่างนั้นเ <ei> ขพ ร, ระโรศาสซาตุลาจะว่ายังไงสิท่านบอกว่าไม่มีแล้วายอยาน่นะก็เพราะไม่โมเลกุล ไม่มีศาสนาพุทธเป็นเมืองขึ้นเป็นศาสนาประจำโลกทุกยุค ท, ทุกสมัยศาสนาพุทธพูดเต็มปากเลยไม่พมาะด้านว่เออถ้าอยากนั้นก็เอาหัวจะใกล้หายจะใกล้เไท่าไรหายวัดเลย พวกยกไพวกยากให้พวกกรุงเทพเอาไปแล้วหลายน่เพ่นจะเอาไปอเมริกาเออเอาไปเอาไปมากๆก็ได้เน้เออนนั่นละเขาจะอ่านได้ไหมละ่ะคุณหนูแจ้งให้เขาฟังเน้เ อ, อสิ่งที่ไม่ควรพูดอะาไปพูดเน้อเดี๋ยวเขาเออเดี๋ยวเขา เดี๋ยวเขาไมา่ให้กินข้าวเนอะปอยู่ประเทศเขา <laughs> <laughs>